บทที่71อผีนายบุญช่วยเหตุการณ์ตึงเครียดค่อยคลี่คลายลงเมื่อผียอมสยบให้พระผีที่สิงอยู่ในร่างของนายอยู่ซบ ประนมมือขณะเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้พระเจริญรับรู้ผู้คนที่อยู่ในเหตุการณ์ต่างนั่งนิ่งฟังอย่างใจจดใจจอ่อผมชื่อบุญช่วยบ้านอยู่บางปะอินเคยบวชอยู่ห้าพรรษาในเวลาต่อมาผมได้ลาสิกขาเพราะมีโรคประจำตัวคือโรคกระเพาะพอศึกแล้วผมก็ป่วยกระสาะกระแสะมาตลอดกระทั่งวันหนึ่ง ผมก็ถูกผีแขกเข้าโยมรู้ได้ยังไงว่าเป็นผีแขกพระเจริญถามท่านเพิ่งสังเกตว่าร่างที่ผีสิงสถิตยอยู่นั้นผอมเหลืองดูหน้าเวทนาตอนแรกผมก็ไม่รู้หรอกครับพระคุณเจ้าแต่พอผมกลายมาเป็นผีแล้วได้รู้มันเป็นเรื่องเหลือเชื่อครับผมไม่นึกไม่ฝันว่ามันจะเป็นไปได้ แต่มันก็เป็นไปแล้วพระคุณเจ้าไม่ต้องเชื่อผมก็ได้แต่ผมขอร้องให้ช่วยผมหน่อยผมไม่อยากสร้างเวรสร้างกรรมต่อไปพูดแล้วก็ใช้มือทั้งสองปิดหน้าร้องไห้โฮๆเราวกับว่าคับแค้นใจอย่างเหลือเกินคนฟังที่เป็นผู้หญิงพลอยน้ำตาไหลไปด้วยพระเจริญก็ปล่อยให้ร้องไห้อยู่สักพักหนึ่ง จึงได้พูดขึ้นว่าโยมเล่าต่อไปเธอมีอะไรให้อัตมาช่วยได้อัตมายินดีจะช่วยเหลือท่านช่วยผมได้แน่เว้นแต่จะไม่ช่วยผีตอบและยังไม่หยุดร้องไห้ถ้าหากไม่ผิดต่อสมณวิสัยรับรองว่าอัตมาช่วยแน่ขอให้หยุดร้องไห้แล้วก็เล่าต่อไป ผีหยุดร้องไห้เขาใช้ผ้าขาม้าเช็ดน้ำตาสั่งน้ำมูกฟูดหนึ่งแล้วจึงเล่าต่อแขกที่อยุธยามันเอาผีมาเข้าผมมันต้องการให้ผมไปเป็นบริวารของมันไอคนนี้มันร้ายกาจมากมันเลี้ยงผีไว้มากมายเอาไว้ให้คนเช่ามีอย่างนั้นด้วยหรือโยม พระเจริญถามยิ้มยิ้มโดยนึกขำเพราะเคยเห็นแต่เขาเช่าพระเช่าผีนั้นไม่เคยเห็นท่านไม่ต้องเชื่อผมที่พูดก็ได้เรื่องอย่างนี้ถ้าไม่เกิดกับตัวเองก็ไม่รู้หรอกสำหรับผมต้องเชื่อเพราะมันเกิดกับผมมิฉะนั้นผมก็ไม่เชื่อเหมือนกันผีในร่างของนายอยู่ซพชี้แจง แขกคนนั้นเ้ามีคาถาเลี้ยงผีหรือคนเป็นพระถามถูกแล้วครับพระคุณเจ้ามันใช้คาถากักผีไว้เป็นบริวารของมันพระคุณเจ้าอาจคิดว่าเป็นเรื่องเลีวไหลแต่ถ้าพิจารณาให้ลึกซึ้งแล้วมันเป็นไปได้ใช่ไหมครับในพระวินัยพระพุทธองค์ก็ทรงอนุญาตไว้ว่าหากพิสุถูกผีเข้า ให้งดการสวดปฏิโมกได้อีกข้อหนึ่งถ้าภิกษุฉันเนื้อดิบถือว่าต้องอาบัติทุลจัยแต่ถ้าภิกษุฉันเนื้อดิบเพราะถูกผีเข้าไม่ถือว่าเป็นอาบัติผีที่ชื่อบุญช่วยอธิบายให้พระฟังถูกต้องอย่างที่โยมว่ามาขนาดเป็นพระยังถูกผีเข้า นบประษาอะไรกับขรืหัดจริงไหมโยมเสียงผู้หญิงร้องกรีดขึ้นทุกคนพากันตกใจรวมทั้งพระเจริญด้วยต่างหันไปมองที่มาของเสียงเด็กสาวผู้หนึ่งอายุราวส4บสบห้านั่งหลับตาส่งเสียงร้องกรีดกรีดหญิงที่นั่งอยู่ข้างๆจับตัวหล่อนเขย่าแรงๆเป็นอะไรอีพูด หรือว่ามึงถูกผีเข้าข้ากลัวข้ากลัวหลอนละล่ำละลักมึงกลัวอะไรไหนลืมตาพูดกันหน่อยสิหลอนค่อยๆลืมตามองไปที่พระแล้วลุกพรวดพลาดเข้าไปหาหวังยึดเป็นที่พึ่งในเชี่ยวกับในฌานรีบกันไว้เพราะ กลัวหลวงพี่ศีลขาดหนูทำใจดีๆไม่ต้องกลัวไม่มีใครทำอะไรหนูได้หรอกนุกลัวผีจะเข้าจะหลงนะกลัวผีเข้าแบบบางซบบังหมายถึงพี่ถ้าเองกลัวกลัวผีก็ต้องตั้งสติให้ดีถ้าสติไม่ดีทำให้ผีเข้าเจ้าสิงได้รู้ไหม ผีพูดกับเด็กสาวท่านช่วยอีผู้สาลูกสาวฉันด้วยเถอจ้ะหญิงที่จับตัวหล่อนเขย่าบอกพระเจริญผีในบุญช่วยเริ่มโมโหจึงตวาดเอาว่าถ้ากลัวก็นั่งเฉยๆทั้งแม่ทั้งลูกนั่นแหละขืนพูดมากข้าจะเข้าทั้งสองคนคราวนี้แม่กับลูกสาวร้องกรีดขึ้นมาพร้อมกัน จนหลายคนต้องเอามือปิดหูเงียบผีตะโกนสุดเสียงสองแม่ลูกหน้าตาตื่นท่าทางตระนกถ้าไม่เงียบก็ลงเรือนไปเสียอย่าให้กูโมโหนะเขามองหน้าลูกสาวทีมองคนเป็นแม่ทีคนทั้งสองก้มหน้างุดไม่ยอมสบสายตาด้วย แล้วผีจึงพูดว่าพระคุณเจ้าผมจะบอกเคล็ดลับให้คนที่สติไม่ดีหรือที่เรียกกันว่าจิตอ่อนนั้นถูกผีเข้าสิงได้ง่ายแม้แต่พระเองก็ถูกผีเข้าถ้าใครไม่ต้องการให้ผีเข้าก็ต้องหมั่นเจริญสติคนสติดีผีไม่เข้าจเจ้าก็ไม่สิงผมก็เพิ่งมารู้ตอนเป็นผีนี่หละครับ อุสาหมวดมาตั้งห้าพันษาไม่เคยเจริญสติเลยจึงต้องมามีเวณมีกรรมอย่างนี้พูดแล้วก็ร้องไห้อีกเมื่อกี้ยอมพูดว่าแขกที่อายุทยาเลี้ยงผีไว้ให้คนเช่า อาตมายังไม่เข้าใจช่วยอธิบายหน่อยเถอะภิกษุหนุ่มอยากรู้ถูกแล้วครับพระคุณเจ้ามันทำเป็นอาชีพเลยอย่างผมเนี่ยก็มีคนไปเช่ามาจากเจ้ายูซพผมสิงร่างนี้มาสองปีแล้วใครมันเช่ามึงมาให้เข้าลูกโก นายยูซุปถามด้วยเสียงเกลียวกราดเขาต้องทนทุกทรมานมาสองปีเต็มนับแต่บุตรชายถูกผีเข้าหมดค่ารักษาไปหลายร้อยช่างผีก็ยังไม่ออกชีวิตนี้เขาเหลือแต่ลูกอยู่คนเดียวรอฮานิงเมียรักก็มาตายไปได้ร่วมปีแล้วผีนายบุญช่วยพูดกับพระเจริญว่า พระคุณเจ้าต้องช่วยผมนะครับหากไม่ช่วยไอ้แขกเจ้าของผีมันเอาผมตายแน่เขาอ้อนวอนเป็นผีกลัวตายด้วยหรือก็ตายไปแล้วจะกลัวอะไรอีกล่ะนายชานถามอย่างอดไม่ได้ผีก็หันมาตะคอกใส่หน้าว่าเองอย่าเสือกไม่ใช่เรื่องของเองนายชาน ถูกผีว่าก็โกรธจริงตะอคอกใส่บ้างว่าก็กูมากับหลวงพี่ถ้ามึงพูดไม่ดีกับกูกูก็จะไม่ให้หลวงพี่กูช่วยมึงเขาคิดว่าตัวเองถือไพ่เหนือกว่าจิงดังคาดเพราะผีพูดเสียงอ่อนลงว่าถูกของเองข้ามาลืมตัวไปหน่อยอย่าถือโทษโกรธข้าเลยนะ แล้วก็ช่วยอ้อนวอหลวงพี่ของเองให้ช่วยข้าด้วยจะให้ช่วยยังไงว่ามาน้องชายในเชี่ยวทำท่าเขื่องพระเจริญให้นึกหมันไส้จึงค้อนให้วงหนึ่งแทนที่จะพูดกับในชานผีในบุญช่วยกับพูดกับพระเจริญว่าถ้าพระคุณเจ้ารับปากจะช่วยผมผมจึงจะยอมเปิดเผยความลับ ไม่เช่นนั้นไอ้แขกมันจะต้องลงโทษผมอย่างสาหัสสาการเลยทีเดียวท่านรับปากนะครับว่าจะช่วยผมจะให้อัตมาช่วยอะไรล่ะพระหนุ่มถามยังไม่กล้าตกปากรับคำช่วยให้ผมพ้นจากการเป็นทาสไอ้แขกคนนั้นให้ผมได้เป็นอิสระไม่ต้องมาสร้างกรรมสร้างเวรอีกและผมจะบอกว่าจะทำอย่างไร รับรองว่าไม่ผิดต่อสมณวิสัยถ้าเช่นนั้นอาตมาก็ยินดีจะช่วยขณะที่พระกับผีสนทนากันหมอผีฟังอย่างตั้งอกตั้งใจด้วยหวังจะได้เรียนรู้วิธีการใหม่ๆไปใช้ปราบผีวิธีที่ใช้อยู่คงจะล้าสมัยเพราะผีมันก้าวหน้ากว่าก็เพิ่งจะรู้นี่แหละ ว่าเดี๋ยวนี้เขามีการเลี้ยงผีไว้ให้เช่าพีในบุญช่วยก้มลงกราบพระเจริญสามครั้งแล้วก็พูดว่าผมกราบขอบพระคุณพระคุณเจ้าที่เมตตาต่อผมคราวนี้ผมจะได้ไปผุดไปเกิดสักทีเข้าหันหน้าไปทางนายยูซบและพูดว่าอยากรู้ใช่ไหมว่าใครมันเช่ามาเข้าลูกชายเอง แทนคําตอบนายยูซุพยักหน้าเขานั่งคอตกหมดอะไรตายอยากถ้าอยากรู้ข้าจะบอกนี่ไงล่ะไอคนที่มันไปเช่าข้ามาไอายูโซน้องชายเองนี่ไงเขาชี้หน้านายยูโซซึ่งนั่งติดกับพี่ชายนายยูซุพหันมาจ้องหน้าน้องชาย นายยูโซลุกพวดพลาดขึ้นเดินอ้าวอ้าลงเรือนไปเสียงผู้หญิงคนหนึ่งพูดขึ้นดังๆว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงบางยูโซยังทำกับหลานชายแท้ๆได้เชียวหรือผีในบุญช่วยรีบตอบว่าได้หรือไม่ได้มันก็ทำแล้วมันไปเช่าค่ามาเมื่อสองปีก่อนบังคับให้สิงอยู่ในร่างของไอ้ซพจนกว่าจะตาย นีดข้าไม่ออกอีกสองเดือนไอซบตายแน่เพราะมันทั้งผอมทั้งเหลืองออกอย่างนี้ข้าไม่ได้ตั้งใจจะฆ่ามันแต่ข้าถูกบังคับไอยูโซมันทำอย่างนั้นเพื่ออะไรนายยูซุกถามเขาไม่ค่อยจะแน่ใจนักถ้าน้องชายไม่ได้ทำอย่างที่ถูกกล่าวหาเหตุใดจึงผลุนพลันลงเรือนไปเช่นนั้น มันอยากได้สมบัติเองนะสิเพราะเองมีเมียรวยเองก็เลยรวยกว่ามันมันอิจฉาแล้วนางรอละนิงเมียเองนะ่ะก็ตายเพราะฝีมือของมันจริงหรือนายยูซุปถาม ขบกรามแน่นจนเป็นสันนูนที่โหนกแก้มเองจำได้ไหมวันที่นางรอฮนิงจะตายมาเดินไปที่บ้านไอยูโซเอ็งเรียกมันก็ไม่สนใจนายยูซุปนึกลำดับเหตุการณ์วันนั้นนางรอฮนิงมีอาการกระสับกระส่ายจนผิดสังเกตพูดแต่ว่าอยากไปกิน ซุปสมองบัวที่บ้านนายยูโซเขาบอกว่าถ้าอยากไปก็ไปซื้อมากินเองหล่อนก็พร่ำแต่ว่าจะไปกินบ้านนายยูโซในที่สุดก็ลงเรือนไปเขาจะเรียกเท่าไรก็ไม่ยอมฟังหล่อนหายไปพักใหญ่ๆก็กลับมาในตาเมอเลอยเหมือนคนละเมอแล้วหล่อนก็เข้านอน นอนตั้งแต่เที่ยงวันถึงหกโมงเย็นก็ยังไม่ตื่นพอเข้าไปปลุกก็พบว่าหล่อนตัวแข็งและไม่หายใจแล้วคิดมาถึงตอนนี้นายยูซุปสุดจะกลั้นความโศกไว้ได้เขาใช้มือทั้งสองปิดหน้าร้องไห้อยังไม่อายใครๆรอฮานิงเอ็งต้องมาตายเพราะค่าแท้ๆไอยูโซไอน้องทอรยศ เสียแรงเกื้อกูลอุดหนุนมึงมาไม่นึกเลยว่าจะในรคุณมาฆ่าลูกฆ่าเมียที่กูรักดังดวงใจบูรุษวัยห้าสิบพร่ำรำพันมันคิดว่าถ้าเมียเองกับลูกเองตายสมบัติทั้งหมดก็ตกเป็นของมันมันฆ่าลูกเองสำเร็จต่อไปมันก็ฆ่าเองแบบเดียวกับนางกรอนิงคือเอาผีมาเข้า แล้วให้นึกอยากกินซุปสมองวัวที่บ้านของมันมันก็จะฆ่าเองอย่างเลือดเย็นที่สุดพีในบุญช่วยบอกแผนการชั่วร้ายของน้องชายนายยูซุปไอ้น้องอับปรีขออัลเลาะห์จงลงโทษมันเขาสาบแช่งน้องชายโอ้อัลเลาะห์โปรดช่วยลูกชายข้าด้วย เองคงยังไม่อยากให้ลูกเองตายตามเมียเองไปใช่ไหมเองต้องทําตามข้อเสนอของข้าพีนายบุญช่วยพูดกับปิดานายยูซุปเองจะให้ข้าทําอะไรข้าทําได้ทั้งนั้นขอแต่ให้ช่วยชีวิตลูกชายข้าด้วยข้ายอมเองทุกอย่างจะเสียเงินเสียทองเท่าไรข้าไม่ว่ามอผีเกรงจะเสียอะไรได้เพราะนายยูซุป ว่าจ้างมาถึงสองร้อยตำลึงจึงชิงพูดเสียก่อนว่าเองอย่าเพิ่งไปเชื่อมันเชื่อข้าดีกว่าเดี๋ยวข้าจะปราบมันเองเลยถูกผีตวาดเอาว่าไอหมอผีขี้งกมึงไม่มีปัญญาปราบกูได้หรอกเพราะมึงไม่มีคาถาเมตตาต้องอย่างพระคุณเจ้ากูจึงยะยอมสยบ ขนมึงพูดมากกูจะเล่นงานมึงหมอผีได้ฟังก็รู้สึกครั้นครามคขนพูดมากไปกว่านี้ก็รังแต่จะเสียหน้าหนักขึ้นสู้นิ่งเอาไว้ก่อนดีกว่าแล้วค่อยไปเรียนคาถาจากพระรูปนี้รอให้หายกโกรธเสียก่อนท่านคงจะกโกรธที่เขาไปกล่าวหาว่าท่านเป็นเจ้าของผีเองจะให้ข้าทำอะไรว่ามาเลย นายยูซุปบอกกับผีเขาคิดว่าหากต้องเสียเงินเสียทองอีกร้อยช่างพันช่างก็ยอมได้ทั้งนั้นก่อนที่จะบอกผีในบุญช่วยพูดกับพระเจริญว่าพระคุณเจ้าช่วยเป็นพยานให้ผมด้วยนะครับว่าถ้าจะยูซุปมันไม่ทําตามข้อเสนอของผมลูกชายมันต้องตายเพราะผมไม่อาจจะพ้น จากมนต์ดำของไอ้แขกนั่นได้ตกลงอาตมาจะเป็นพยานให้โยมต้องมีสัจจะนะท่านกําชับนายยูซุปท่านครับผมรับรองว่าจะไม่บิดพริว้วถึงจะให้ผมตายแทนลูกผมก็ยอมมิดานายยูซุปรับคําแข็งขันถ้าเช่นนั้นก็ฟังให้ดี วิธีเดียวที่เองจะช่วยลูกชายได้คือต้องให้ไอิซบมันบวชหนึ่งพันษาบวชแล้วต้องเจริญสติอย่างเคร่งครัดไม่ใช่มานั่งกินนอนกินเห็บเปลืองข้าวสุขชาวบ้านเหมือนไอพวกชาวพุทธมันทำกันรมทั้งข้าด้วยผีในบุญช่วยชี้แจงชัดเจนนายยูซุปรีบขัดขึ้นว่าข้าให้มันบวชไม่ได้หรอก มันเป็นมุสลิมเช่นเดียวกับข้าจะบวชได้ยังไงเป็นตายข้าก็ไม่ยอมให้มันบวชเพราะขาดต่อองค์การของอัลเลาะห์ไม่บวชลูกมึงตายผีตะคอกใส่นายยูซุปในเชี่ยวแอบนึกในใจว่าเจ้าบุญช่วยมันเป็นผีขี้โมโหดูมันโกรธง่ายซะจริงเชียวท่านช่วยพูดกับผีให้ผมหน่อยเถอะ บันบังคับในสิ่งที่ผมทำไม่ได้นายยูซุปขอร้องให้พระเจริญช่วยพระจึงพูดกับผีว่าโยมผ่อนผันให้เขาหน่อยไม่ได้หรือมันผิดต่อหลักาศาสนาของเขาคนอิสลามเขาเครงาศาสนามากนะไม่ละล้วมหลอดแหลเหมือนชาวพุทธหรอกผีในบุญช่วยตอบว่าไม่ได้หรอกครับพระกุญเจ้า การบวชเป็นวิธีเดียวที่จะเอาชนะมนต์ดำของไอ้แขกนั่นได้เพราะมันเป็นเจ้ากรรมในเวรของผมและของไอ้ซบถ้าไอ้ซบบวชขอให้เจริญสติเมตตาให้มันผมก็จะพ้นอำนาจของมันและไอ้ซบก็จะได้ปลอดภัยก็ไหนเองว่าตายแทนลูกก็ยอมไงละ่ะผีหันไปถามนายยูซุบ ข้าตายแทนลูกได้เองฆ่าฆ่าให้ตายหรือมาเข้าฆ่าก็ได้แต่อย่าให้ข้าละเมิดองค์การของอัลเลาะห์เลยนายยูซุฟพูดอย่างน่าสงสารข้อนั้นข้าเข้าใจละแต่ข้าก็ไม่ได้ให้ลูกเองมาเป็นพุทธเพียงแต่ให้บวชแทนข้าเพราะข้าเป็นผีบวชไม่ได้ออกพรรษาแล้วลูกเองก็จะกลับเป็นมุสลิมตามเดิม อเลท่านคงไม่ว่าหรอกพีในบุญช่วยชี้แจงเขาอยากให้พ้นจากสภาพเป็นอยู่เวลานี้นายยูซุปคิดไม่ตกได้แต่นั่งกัดฟันกรอดๆเสียงผู้หญิงคนหนึ่งก็พูดให้กำลังใจว่ายอมเขาเถอะบังซุปแค่ภรษาเดียวเท่านั้นเสียงผู้ชายแทรกขึ้นว่าอย่ายอม เราเป็นมุสลิมจะบวชได้ยังไงไม่ยอมลูกมึงตายผียืนยันเงื่อนไขเดิมผู้คนมุงดูต่างวิพากษ์วิจารณ์การเสียงอืงนคนึงบ้างต้องการให้ทำตามที่ผีบอกแต่พวกที่เคร่งาศาสนาก็ยืนยันว่าทำไม่ได้นายยูซุปแสนจะอึดอัดขัดข้องเนึกคิดอะไรไม่ออก รัจเจรินรู้สึกสงสารบิดาของนายยูซุปหากก็ไม่อาจจะช่วยอะไรได้ในเมื่อเป็นความต้องการของผีว่ายังไงถ้ามึงไม่ตัดสินใจเดี๋ยวนี้กูก็จะไปแล้วละ่ะต้องไปรายงานตัวกับไอ้แขกเจ้าของผีอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งนายยูซุปละล่ำละลักเขาทนเห็นสภาพลูกชายในสภาพนี้ไม่ได้ เมื่อวิญญาณในบุญช่วยออกจากร่างลูกชายนายยูซบจะนอนละทศระทวยเหมือนคนเจ็บหนักข้าปลาอาหารไม่ยอมกินพร่ำเพ้อตลอดเวลาว่าปะช่วยข้าด้วยมันทรม า, ข า, น, ม น, ารนข้าเหลือเกินมันทารุณข้าเหลือเกินเอาอย่างนี้ก็แล้วกันขอให้ข้าถามลูกดูก่อนเอ็งให้เขาพูดกับข้าสักหน่อยได้ไหม ก็ได้ข้าให้เวลา30สนาทีแล้ววิญญาณของนายบุญช่วยก็ออกจากร่างนายยูซบร่างที่นั่งอยู่หงายผึ่งไปนอนกับพื้นพวกลูกจ้างช่วยกันหายาดมไปจ่อที่จมกูกเจ้านายเหมือนที่เคยทำทุกครั้งประมาณ20สบนาทีนายยูซบก็ลืมตานายยูชุบ เข้ามาใกล้ลูกชายแล้วถามอยู่ซบเองเป็นไงบ้างป้าสงสารเองเลิศเกินทรมานมากครับปะาทำยังไงข้าจะพ้นไปจากสภาพนี้มันทารุณข้าเลิศเกินให้ข้าตายตายไปซะยังดีกว่าข้าจะได้ไปอยู่กับมะลูกชายพูดเสียงเบาพอได้ยินกันสองคนไอผี ที่มาเข้าเองมันจะให้เอ็งบวชหนึ่งพรรษาแล้วมันสัญญาว่าจะออกจากร่างเอ็งตลอดไปเอ็งจะว่ายังไงปะให้ผมบวชเธอผมไม่อยากตายอย่างทรมานบวชใช้เวรใช้กรรมให้มันเสียแต่อย่าลืมว่าเราเป็นมุสลิมนะลูกจะบวชได้ยังไงช่างมันเถอะ ป, ปะแค่สามเดือนเองเอลัลลอะ์ท่านคงไม่ว่า สึกออกมาแล้วข้าจะทดแทนได้การบริจาคสักกาศพันตำลึงถือศีลอดสามเดือนชดเชยกับที่ไปบวชข้าว่าอัลลอฮ์ท่านคงพอพระทยัยคำพูดของลูกชายทำให้ในายยูซุปค่อยคลายทุกข์เขาพูดกับพระเจริญว่าท่านบอกไอ้ผีมันด้วยว่าผมกับลูกชายยอมทำตามข้อเสนอของมัน จะให้ลูกบวชพระในพรรษานี้ดีแล้วโยมอาตมาขออนุโมทนาจะได้หมดทุกข์หมดโศกกันเสียทีร่างที่นอนสรมเหมือนคนไข้หนักลุกนั่งอย่างกระฉับกระเฉงซึ่งทุกคนรู้ว่า ผีเข้านายยูซบอีกครั้งขอพระคุณพระคุณเจ้าครับที่ช่วยเจรจาได้สำเร็จคราวนี้ผมจะได้พ้นเวรพ้นกรรมเสียทีพูดพร้อมกับก้มลงกราบสามครั้งแล้วหันไปบอกนายยูซบว่าเงินค่าจ้างที่จะให้หมอผีสองร้อยตำลึงนั้นขอให้เอามาให้พระคุณเจ้าแทนเพราะท่านไล่ผีได้สำเร็จท่านจะนำไปสร้างโบสถ์วัดพรหมบุรี ในเชี่ยวแอบชมในใจว่าเออไอ้ผีตัวนี้มันช่างรู้ใจลงพี่ไอ้ผีแสนรู้แต่ข้าเป็นมุสลิมทำอย่างนั้นไม่ได้ศา ส, สนาอิสลามห้ามทาบุญกับศาสนาอื่นนายยูซุก ป, ปฏิเสธข้าก็ไม่ได้บอกให้เอ็งทำบุญแต่เงินจำนวนเนี้ยที่เอ็งต้องใจ่ายให้ไอ้มอผีเป็นค่าจ้างอยู่แล้ว ที่นี้หมอผีมันทางานไม่สําเร็จพระคุณเจ้าท่านทํางานนี้ได้เองก็ต้องจ่ายให้พระคุณเจ้าจริงไหมเสียงผู้คนที่มามงพากันพูดว่าจริงๆนายยูซุปจึงว่าตกลงจะจ่ายให้เป็นค่าไล่ผีแต่ข้าไม่ได้ทําบุญนะบีดานายยูซุปย้าด้วยเกรงจะละเมิดต่อคำสอนในศาสนาของตน ถึงเองไม่ได้ทำบุญแต่เองก็จะได้บุญพระศาสนาพุทธสอนว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วใครที่ทำดีไม่ว่าจะนับถือศาสนาอะไรก็ต้องได้ดีการทำบุญเป็นความดีเมื่อเองทำเองก็ได้บุญไม่ว่าเองจะอยากได้หรือไม่อยากได้ก็ตามผีอธิบายให้คนฟังครั้นเห็นหมอผีนั่งหน้าจอย เพราะเสื่อมลาบจึงถูโอกาสอบรมสั่งสอนว่าวิธีปราบผีที่มึงใช้อยู่หนะไม่ได้ผลหรอกไม่ว่าผีหรือคนก็ชอบพูดดีๆทั้งนั้นไม่มีใครชอบพูดร้ายๆการพูดดีต้องพูดด้วยเมตตาถ้ามึงมีเมตตารับรองว่าผีก็รักคนก็รักแถมหมาก็ยังรักอีกด้วยไม่เชื่อมึงลองดูก็ได้ เวลาเจอหมาถ้ามึงไปไล่มันหรือว่าตีมันรับรองมันอาฆาตมึงไปจนตายแต่ถ้ามึงแผ่เมตตาให้มันมันก็รักมึงไปจนตายเหมือนกันคนที่มีเมตตานั้นหนะัผีก็รักหมาก็รักจำเอาไว้ถ้อยคาของผีทำให้พระเจรินึกไปถึงเจ้าโทนตั้งแต่ท่านเป็นเด็กจนบวชเป็นพระแล้วมันก็ยังไม่ยอมญาติดีกับท่าน แม้จะแก่หูตาฝ้าฟางก็ยังอุตสาห์เห่าท่านทุกครั้งที่พบกันขณะเดียวกันท่านนึกถึงอนิสงค์ของคาถากรณียาเมตสูตรของพระพุทธเจ้าที่โยมยายสอนนักสอนหนาว่าเป็นคาถากันผีได้ทำให้ผีรักหมาก็รักผีในบุญชุบยอมสยบให้ท่านก็เพราะคาถาบทนี้ โยมยายช่างฉลาดหลักแหลมและลึกซึ้งอย่างที่ท่านก็คาดไม่ถึง